9. ทุติยทุทถโทสะสิกขาบทภิกษุอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเลน่ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรันทร์จึงโจ์ต้องอาบัตทุกกฎ ก, กับสังคาทิเศษสขอโอกาสก่อน มีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ต้องอาบัตเพราะกล่าวเสียด